มเทศนาัที่75ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่ า, าคำพร้อยจังหวัดกุรัตธานีแสดงธรรมในวันที่18เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าทำไมหัวใจมาถึงร้อน วันนี้เป็นวันที่18เมษายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันอุโบสถแต่เมื่อวานเป็นวันพระขึ้น14ค่าให้ดับแรม14ค่าเดือน5เดือน5ดับวันนี้เป็นวันขึ้นค่ำ1เดือน6เป็นวันอุโบสถของพวกเราขณะนี้เวลาเที่ยง ลงโบสเดเสร็จก็บายโมงพวกเราได้ทำลงโอบสเดเสร็จจบลงสักครู่นี้พูดกล่าวเรื่องสินสินและวินยัยทบทวนเรื่องสินและวินยัยที่เป็นกฎระเบียบที่พวกเราพวกเรารักษ า, ารักษาสินสองีถ้าเราไม่ทบทวน ไม่ท้องบนสาธยายไม่บอกกล่าวให้กันและกันฟังก็คงจะเจือจางเลือนลางหายไปทีละน้อยละน้อยแต่ขนาดทบทวนอยู่ขนาดนี้พวกเราก็ยังขาดความใส่ใจสนใจในกฎระเบียบรุอยินยของตนเองไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะบวชเข้ามาให้ศึกษา สินสองรของตัวเองนั้นมีอะไรบ้างตัวไหนบ้างที่ล่อแหลมที่จะต้องอาบัตก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายใส่ใจแล้วก็ศึกษาถ้าไม่เข้าใจให้ถามไทยถามไทยท่านผู้รู้มีอยู่ถ้าไม่รู้ก็เอามาถามผมได้ แล้วก็จะอ่างตำราขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ได้ทั้งนั้นแหละพวินัยก็คือกฎหมายกฎหมายพระมันไม่ใช่ของลึกซึ้งอะไรมันเป็นกฎระเบียบแต่หลักธรรมวิถีทางเดินของใจวิถีทางเดินของจิตวิถีทางเดินของแนวความคิด ตัวนั้นละเอียดต้องอาศัยครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวแต่บางครั้งก็ออกจากออกนอกเหนือจากเรื่องที่แนวความคิดอีกต่างหากอย่างที่ผมเคยพบเคยเจอด้วยตนเองผมก็ได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นเรื่องเดินวิปัสสนาเป็นอย่างนี้เราก็ได้ศึกษา กลับครูบาอาจารย์แต่พอไปเจอกับตัวเองแล้วโอ้โหมันไม่ใช่อีกมันเป็นอีกมองมันอีกค้นตำราหาไม่เจอไม่ได้ศึกษามาอีกว่าตำราที่มาจากไหนแต่มันเกิดขึ้นกับตนเองอันนี้ผมเองก็อยากจะเล่ า, ลาให้หมู่พวกลูกศิษย์ลูกหาน้องนองทั้งหลายได้ฟังเหมือนกัน สมัยหนึ่งผมออกไปเที่ยวทุดงแถบหลังเขาภูผ่านในระหว่างจังหวัดสกลนครกาลสินปีนั้นถ้าว่าจำไม่ผิดก็ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบก้าประมาณนี้นแหละปีสองมาร้อยสิบเจ็ดสิบแปดผมก็ไปมีหมู่ออกจากวัดป่าบ้านตาด ท่านไปจำพรรษาอยู่ในแถบหลังเขาภูผานจากนั้นผมก็เลยถือโอกาสก็เไปเที่ยวทุดงไปหน้าแรงประมาณจักเดือนอม ก, กราคมพานช่วงตน้ตนๆหรปลายปลายเดือนม ก, กราเนี่ยผมก็ไปภาวนาอยู่ที่อยู่ในถ้มองค์เดียว ทำนะั้นไม่มีใครเขายังไม่ได้ปรับปรุงทำนะทำยาวถ้าทุกวันนี้เขาเรียกว่าธำอะไรทำซ่อนของบ้านหลบเราในระหว่างจังหวัดสกลกาลสินเขาเป็นผู้หลังเขาผู้พาน แต่แยกจากทางใหญ่เข้าไปพอสมควรไกลพอสมควรนะแต่เดินในทางคงจะสะดวกไปหมดละหลังเขาผู้พานพวกคนมันขึ้นเต็มไปหมดแล้วแต่นั้นเ ข, เข้าไปอยู่ตามลาพังองค์เดียวมีพื้นกับพื้นไม้ไผ่ฝ้ากระแตสมัยนั้นแต่คอมมอนิสต์ก็รู้สึกว่าแคบคนพอสมควรอยู่ไปบินทบาทกลับมามากําลังนั่งชันอยู่ในถ้ำ ยังเห็นเฮลิคอปเตอร์สองคันห่างปไปจะกมาจากกิโลกว่าเนี่ยมั้งก็สองกิโลนั่นน่ะบินวนพอบินวนก็ยิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปสู่พื้นดิน ย, ยังได้เห็นกับหูกับตานในช่วงนั้นแต่เราเราก็มองมองดูพอยู่ในมันอยู่ในที่สูงเราอยู่ในถ้ำอยู่ภูเขาเราก็มองเห็น เราคนนึกเสียวๆวมือนกันเผอๆมันวนมาแล้วมันยิงเข้ามาเลยจะหลบไปที่ไหนอย่างคิดเหมือนกันมันก็คงเป็นจุดของมัน่ะสรุปแล้วก็คือเขาปะทะกันจุดนั้นะแต่ามาพูดเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาทีนี่อผมอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแหละอะพัดอยู่ในถ้ำองค์เดียวทํายาวแหวงเงียบสงบโอ้สงบจริงๆ แล้วก็น้ำก็หายากต้องเดินลงไปข้างล่างตรงหน้าถ้ำไปตักเอาน้ำขึ้นมาใส่กระบอกแล้วก็ตะภายขึ้นมาอาบน้ำเสร็จแล้วก็ตะภายขึ้นมาแล้วก็ใช้กองค์เดียวใช้ก็ใช้ไม่มากใช้แบบประหยัดวันหนึ่งอาบน้ำเพียงครั้งเดียวแต่ก็ภาวนา <c oughs> ในระที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแบบสูตรพิเศษไม่เคยพบเคยเจอ ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้มาก่อนผมกําลังฉันจังหารเสร็จขึ้นไปพอฉันยังเหตุเสร็จแล้ผมก็ไปเดินเดินยังกรมทุกครั้งนะพออยู่ตามลาพังพอสันจังหารเสร็จแล้วก็ไปเดินยังกรมอีกเพราะอาหารก็อย่างที่ว่ามีแต่ข้าวเหนียวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกข้าวเหนียวก็บงังอาหารบังกับบงังตามภาษีภาษาของชาวบ้านเขาถวายมาแล้วก็ฉันได้ ้าบ้านก็ทานอะไรทานอะไรแล้วก็ทานได้ตามที่เขาให้มามันถูกปากถูกลิ้นเรไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้ไปหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปหาไม่ใช่ไปหาอาหารใส่ลิ้นตัวเองเราไปภาวนาเขาได้อะไรมากกวฉันตามที่เขาถวายมาฉันเจนแล้วก็กลับขึ้นมามันก็มาเดินยังงงพอเดินยังงงก็ไปนั่งพอไปนั่งมันก็เป็นถ้าเราก็นั่ง ที่เขาจากักหินไว้แล้วก็ขึ้นไปนั่งที่แท่นแล้วก็เราพริงฝาพิงผาผนังถ้ำหันหน้าออกทางนอกถ้ำแล้วก็ภาวนามาภาวนาเราลักษณะง่วงง่วงเราก็กลับเข้าไปที่กุฏิเป็นพื้นไม้ไผ่แต่ว่าพื้นของมันห่างนะสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณทักห้เมตรพอดนะที่เขาเ ส, สาหย่อนลงไปนะ แต่เขาก็ทำดีมันพาดเข้ามาในปากพามาพาดเอามาในถ้ำด้วยคงจะไม่ไหลไม่ไม่หล่นเขาทำดีอยู่แต่เป็นไผ่ปืนไม่ไผ่ฝาไม่ไผ่เต่นแล้วกนอนตะแคงขวานภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพอภาวนาไปพอเคิมเค้มเนี่ยมันเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันมันไม่ ไปถูกอะไรหรือไปทําอะไรหรือมีมอะไรมากระทบปุ๊กพอกระทบเขานั้นแหละสะรุ่งจะสะดุ่งแบบไม่มีปีมีขุย้แล้วจะดุ่งอย่างแรงพอสะรุ่งขึ้นมาแล้วใจมันเหมือนกับถูกไฟไฟไฟมันไหม่อยู่ที่ใจมันร้อนอยู่วับร้อนแวบเอ๊ะทำไมใจของเราเป็นลักษณะนี้มันไม่เคยมีใจร้อนะ จากทัานออกมาก็มานั่งแคะดุกมานั่งมานั่งทาไมใจของเราทำไมเป็นลักษณะนี้วะมันไม่เคยมีเป็นไม่เคยเป็นใจมันเหมือนกับไปจับไฟมันไม่ใช่จับเป่กายนะไม่ใช่กายจับไฟนะใจมันมีอารมณ์ร้อนอยู่ในใจจะได้มันก็ร้อนวับวับวับวับออกมาเดินอย่างก่มร้อนออกไปนั่งร้อนนอนร้อน ไปเดินอย่าบอกตอนเช้ามาตื่นเกือบจะว่านอนไม่หลับอนหลับก็ผมระเบิดครอบกราบอลยจากนั้นก็ไปเดินอย่งกรมเดินเพาวนาไปบิณฑบาตกลับมาก็รููใจตัวเองร้อนเอ๊มันทำมายังไรเหมือนกับมันร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดามันร้อนจากลักษณะว้าเวอ้างว้างเหมือนกับใจของเราเนี่ยเหมือนกับหญ้าที่มันถูกแดดเผา แห้งกรอบลักษณะอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เพ้อเพอจะมีไฟไฟไหมไฟไหมย้าอีกต่างหากมันร้อนอ่ะมันกรอบถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งใจในช่วงนั้นเหมือนกับเราอยู่ในกลางมหาสมุทรมีเรือเย่ลมลำเล็กๆอยู่ลำเดียวอยู่ในกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งใจในลักษณะอย่างนั้นว้าเวอ้างว้างเงียบเหงา แต่ไม่รู้จะทำยังไงและอีกอย่างหนึ่งพอเข้าสมาธิตะกอนเข้าสมาธิมันจะอยู่ได้กำหนดลมหายใจนอยูออ่การกำหนดกับก้าวเดินอยูออ่การพิจารณาการกำหนดลมหายใจนิออกนอยู่แต่วันนั้นมันไม่อยู่มันไม่เข้าเข้าสมาธิไม่ได้เลยมันเหมือนกับเปล่าเหมือนกับ น, น้ำที่มันไหลออกมาจาก ก๊อกน้ำหรือไอ้แป๊บน้ำที่มันรั่วมาแตกอย่างแรงน้ำที่มันไหลมาจากเขาอย่างแรงแล้ว เ, าเรา เ, าเอามือไปปิดอย่างนั้นแหละไอ้พอปิดมันพุ่งมันก็แทกมือตัวเองปิดไม่อยู่มือฝ่ า, า, ามือตัวเองเป้นเลยออกมาเลยเอาไปปิดแต่ก็เป้นแปลว่าสมาธิเขา้านั้นเข้าไม่ได้เลยกับเรื่องเรื่องจิตประเภทนั้นจิตที่มันร้อนประเภทนั้น จนเออเราจะทำยังไงเนะี่ยจนได้ถามตัวถามภายในใจของตัวเองเราคิดอยากจะศึกไหมเนะี่ยขนาดอยู่ในป่าตรงตามลำพังองค์เดียวนะถามนยใจประเภทนี้เราอยากจะศึกไหมไม่นะเราไม่อยากจะศึกนะแต่ทำไมมันใจอย่างนี้เราจะทำยังไงเอถ้าอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใกล้หลงตาเนี่ยเราคงจะเข้าไปเข้าไปกราบ ถามท่านว่าใจประเภทนี้มันเป็นอย่างไรทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยมีใจร้อนอย่างนี้แต่เอาเถอะมันเกิดที่ใดเราจะพยา ย, ยามให้มันดับที่นั่น ต, ตายเป็นตายปะ่ะถึงยังไง ก, ก็เราก็มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วมอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีอยู่แล้วเราจะไม่หวั่นไหวตายเป็นตายเอามันเกิดมาอยู่ที่นี่มันต้องเอาชนะให้มันได้ที่นี่ ตอนนี้พอจากนั้นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งภาวนาเดินจงกรมมันก็ลักษณะอย่างเก่าจิตใจมัน ว, าว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าคล้ายๆกับมันหาที่เกาะที่พึ่งไม่ได้มัน ว, าว้าเหวหาเหตุไม่ได้รึกไปหาต้นเหตุหาเหตุไม่ได้รู้แต่ว่าขณะที่จะนอนหลับกําลังจะนอนหลับเค็มๆแล้วก็มันมีกระทบขึ้นมาอย่างแรงรู้อะไรได้เพียงแค่นั้น จากนั้นก็เหมือนกับใจนี้ไปจับไฟจับไฟที่มันร้อนมันร้อนมันมันมันไหม้ใจแวบบแวบบขณะนั้นเราจะคิดถึงกามาลาค่าไหมก็ไม่มีนึกย้อนหลังไปก็ไม่มีถึงเราจะไปนิทึกนึกถึงเรื่องกามหรือว่าเรื่องพยาบาทเรื่องอาฆาตเรื่องโมโหโกธาให้กับใครเราก็ไม่ได้คิดเพราะเราอยู่อยู่ในถ้ำคนเดียว มีแต่ภาวนากำหนดลมกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแต่มันทำไมมันเป็นอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้พอจากนั้นวันที่สามวันที่สี่ผลให้สุดวันวันหนึ่งเราเดินโยกรมในถ้ำมันที่มันก็ไม่สะดวกมาอยู่ในถ้ำอ้ อ, อไปเดินข้างนอกมาไอ้พอเดินข้างนอกไปออกไปเดินไปเดินทางบินธ่าบาทนี่ที่หน้าถ้ำมันมีที่หนึ่งที่ราบๆพอสมควรก็ยังมีหินโผล่เป็นตะปุ่มตะปั่ม แต่อากาศเนี่ยเดือนอมกราต่อกุมภาเนี่ยมันร้อนหละนะบางวันกลางวันมันร้อนละเดือนกุมภาแต่เนีนมันใบไม้ใบเซี่ยวนะอุ่มพุ่มเสี่ยวนะมันก็ใบหล่นแหลนะหล่นเป็นส่วนมากยังเหลือก็อ น, นิดหน่อยแต่เวลาเราเดินเนี่ยก็แดดแดดก็สองเปี้ยงลงมานะ แต่นนี้เราก็แดดไม่สนใจละเรื่องแดดใจร้อะนะมันมันมันยิ่งกว่าร้อนกายอีกต่างหากเราก็เดินอยจ้ะผมปนมมือขึ้นมาเสร็จแล้วก็วก เ, เ, เราก็เดินเราก็เดินภาวนาขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถพุทธโ ถ, ถอ้าวมันจะร้อนมันร้อนเดี๋ยวมันเป็นยังไงวะจะตายให้มันตายใช่ไหมเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงวะในช่วงนี้นมันทําไมเป็นอย่างนี้วะอมัน มันไม่เห็นจิตเจ็บป่วยที่ตรงไหนแต่มันทําไมใจร้อนวนะ่ะเนี่ยเดินไปเดินมาตั้งแต่ตอนตั้งแ ต, ต, งแต่ตอนเช้านนะี่ยก่อนเที่ยงนะดูดูแล้วนะจนถึงบ่ายสามสี่โมงเดินนานพอสมควรนะเลยพอเดินไปเดินไปมันจิตมันว้บเข้ามาในใจไหะนะอพอมันว้าบเข้ามาในใจมันบอกว่าจะร้อนไปทําไมจะเดือดร้อนไปทําไมใจจะไปอมันทําไม มันเรือดร้อนไปเพื่ออะไรมันไปรับรู้รับทราบเรื่องอะไรตัวเองนั่นแหละเป็นผู้กระทำเราทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะต้องเข้ามาหาตัวเองถ้าเราทำกรรมดีเราก็ต้องรับดีถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องรับชั่วใครจะมาเป็นผู้มารับกรรมแทนเราเราเท่านั้นเป็นผู้รับกรรมคือการกระทำเรื่องแนวความคิดของเรา เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้กระทำเพราะนั้นเราจะไปพึ่งพาอาศัยใครเราจะไปทำไปทาให้ใครจะให้ เ, เป็นที่จะให้ใครมาเป็นที่พึ่งพาอ า, อาศัยเราเรานั่นแหละจะเป็นพึ่งที่พึ่งพาอาศัยตัวเองกรรมคือการกระทำเราทำกรรมไว้ไว้กรรมนั้นเราจองได้รับ ในเมื่อเราทำกรรมดีกรรมดีก็ต้องให้ผลถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วต้องให้ผลเจ้าว่าเหวอ้างว่างเงียบเขาซึมเศร้าเพืาอทำไมร้อนรอนไปใจไปื่อทำไมพอมันลงป้งอย่างนั้นคือมาเออมันไม่ใช่จะเดินจงกรมพุทโธมันวิ่งเลยมันเออมันใจกล้าอาถรรพ์ขึ้นมาอย่างมองคิดไม่ถูกเหมือนกันขนาดที่ว่าเห็นเสืออยู่ต่อหน้าชะว่ากระโดดเข้าปากเสือได้เลยเพราะงั้นแต่ใจประเภทอย่างนั้นน่ะ มันอาถรรพ์จริงๆนี่แหละพอเดินวิ่งวิ่งอ้าวเดี๋ยวเขาจะว่าบาอะอยู่คนเดียวทําไมหาวิ่งจงกรมไม่ใช่เดินจงกรมนะจากนั้นโอ้เรวิ่งอยู่หลายรอบเหมือนกันนะจากนั้นก็ขึ้นมานั่งทบทวนเอมันเป็นยังไงมาตั้งสี่ห้าวันนะมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราหาต้นเหตุหาสาเหตุไม่ไ <la> ด้มันเป็น <funnel>. ย <Nixon. S 2> ังไงว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออก นี่แหละจากนั้นเราก็ออกจากถ้าค้อนสองซ่อนของมาแล้วก็ไปอำเภอนาแกไปอยู่ถ้ำภูเวทไปไปภาวนาตามลาพังพอวันดีคื น, นิีอดอาหารเสร็จแล้วเราก็มานั่งทบทวนอีกเหมือนกันนะเพราะมันหาสาเหตุไม่ได้ทำไมมันใจมันจึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมมันเป็นอย่างนั้นพอถึงวันวันหนึ่งเราเดินยังกลม อยู่ที่ถ้ำพระเวทยอยู่ในถ้ำเราก็ ด, ด, ดูย้อนย้อนย้อนหลังไปดูย้อนหลังไปดูขณะที่เรากันขณะที่เรานั่งแล้วก็เราเข้าไปนอนแล้วก็เราทำใจยังไงในช่วงนั้นมันจึงเป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นใคราว่าย้อนดูมันก็ไม่รู้่กี่ครั้งเหมือนกันแต่วันนั้นพอย้อนย้อนย้อนดูแล้วมันบอกในใจเข้ามาขึ้นมาเลยจะดูทำไม อันนัน้นมันออกมาจากตัวนั่นะคือตัวตัวที่มันไม่รู้คือตัวอวิชชานั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปจากนั้นมาทั้งหมดไม่ต้องย้อนไปหาหรอกย้อนไปหาไปหามมุมมืดไปหาตัวอวิชชานั่นเองอย่าไปคิดให้งออย่าไปย้อนหาให้งอพอว่าเท่านั้นใจของเรามันก็เลยถอดกดหยด จากนั้นก็เลยไม่ไม่ตามหาอีกไม่ย้อนไปหาอีกเพราะเหตุไม่หบไม่กลับไปหาเหตุมันมันเป็นเหตุอะไรถึงใจมันยังร้อนอย่างนี้อันนี้ก็คือแนวหนึ่งเหมือนกันสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องการภาวนาเนี่ยมันมีมากหลากหลายนะ เ, เพราะนั้นเรื่องวิถีทางหรือวิธีวิธีการเดินมรรครวธิวิธีการปฏิบัติ บางครั้งเราต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวที่ท่านผ่านรู้มาแล้วว่าใจประเภทนี้มันเป็นอย่างไรแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมรรคเรื่องผลในที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะเพียงแต่ว่ามีใจเข้าใจใจเข้าใจให้ใจรับผิดชอบในตัวเองกรรมคือการกระทําถ้าเราทํากรรมดีแล้วเราจะใครจะเป็นคนรับถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วใครจะเป็นคนรับกรรม เพราะนั้นเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทํำเท่านั้นแหละมันทิ้งสมบัติออกจากใจหมดเลยใจเป็นอิสระใจค้ายๆว่ามีอะไรเราเป็นผู้รับรู้รับทาบทั้งหมดนี่แหละอันนี้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านถ้ามีปัญหาอะไรในจิตในใจของพวกเราอย่าไปนหนีจากหลักธรรมให้พิจารณาให้กําหนดให้มีสติอยู่กับตัวเองคน ศึกษาทำไมมันเป็นอย่างนี้เอบางทีเราจิตใจมันอ่อนแอท้อแท้อย่างนี้เอแต่ก่อนทำไมไม่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันมีอารมณ์ขึ้นมาท้อแท้อ่อนแอแล้วก็กระเด็นกระดอนไปเออผลที่สุดมันลักษณะอย่างนี้นะมากกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าเราพิจารณาให้เข้มแข็งมันเข้มแข็งได้มันเชื่อมั่นได้เอาชนะใจตัวเองได้แต่ถ้าเราอ่อนแอเนี่ย กิเลสเหยียบคอเราแน่ๆแน่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะพระเนนลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายนะให้ภาวนาให้สู้ให้ดูมันไม่หนีจากจุดนี้ละมันตัวกิเลสอยู่ในจิตใจของเราทํามันก็อยู่ในนั้นนะมันเพิกขึ้นมามันเอาชนะกิเลสภายในใจของเราได้ใจของเราบางทีมันก็เหยียบเหยียบอยูนั้นนะร้อนจนว้าหวอ้างว้างเกือบจะร้องไห้อยู่ในป่าดงพงไพคนเดียว มันขนาดนั้นแหะมันว้าวีเฟื่องฟังเลยสิเหมือนกับเราอยู่ในกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งไม่มีไม่รู้ใครจะมาช่วยเราเอมองไม่เห็นฝั่งตายหรือไม่ตายยังไงเราก็ไม่รู้นะเนี่ยแหละมันว้าเวีถึงขนาดแล้วมองไม่เห็นหรือว่าใจของเรามันเหี่ยวแห้งแห้งอับเฉาเหมือนกับหญ้าที่ตากแดดมันกรอบลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วยังมีไฟไหม้อีกลักษณะอย่างนั้น เ, เราเข้าสมาธิมันก็เข้าไม่ได้ เหมือนกับน้ําน้ําที่มันน้ําอารมณ์ที่มันพุ่งออกมาเน่ยเหมือนกับน้ําไหลออกมาจากท่อแป๊บน้ําแรงแรงก๊อกน้ำสองนิ้วเราเปิดแรงแรงเต็มที่มันไหลมาจากภูเขาเอามือไปเข้าไปมันกระแทกฝ่ามือ ป, ป, ป, ปิ้นมันป๊กไม่อยู่อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิในใจของเราตะก่อนเราเอาอยู่นะมีอารมณ์แบบไหนเรากําหนดปุบ๊บดูเข้าไปใจใจิตใจเน่งเลยสงบเอาชนะ สงบได้แต่มันวันนั้นมันไม่อยู่อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับพวกเราทั้งทั้งหลายนะถึงยังไงก็ไม่เหลือวิสัยทางว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอยู่เราต้องมีช่องมีทางที่จะเป็นสมาธิจิตใจของเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าว่าเราท้อแท้อ่อนแอปวกเปียกแต่ยังดีนะในช่วงนั้นยังถามตนเองว่าเราอยากจะสึกใหม่ มันยังถามผมมันว้าเวถึงขนาดนั่นแหะมันว่าไม่นะไม่มีไม่มีนะคำว่าเราจะศึกเราอยากจะศึกไม่มีนะทําไมมันเป็นอย่างนี้วะทําไมมันร้อนถึงขนาดนี้วะมันทําไมทุกขนาดเนี่ไม่ใช่ร้อนธรรมดามันทุกข์ด้วยนั่นแหละมันทุกข์จริงๆเหมือนกันทุกแบบว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้านะแต่พอเอาชนะมันได้แล้วก็รู้อ่ะรู้ต้นต่อรู้เงื่อนข้อมันมันเป็นยังไง ่อันนี้ก็ให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่เจอพบอารมณ์ประเภทไหนมาอย่าเราอย่าไปทอ้ออย่าไปท้อแท้นะต้องหาวิธีการต้องหาใช้จติตใช้ปัญญาเอาชนะให้ได้นะในจิตในใจของพวกเรานะวันนี้ครั้งก่อนๆผมอธิบายเรื่องว่าพูดเรื่องศีลและวินยัยแต่วันนี้ผมพูดแนวแนวปฏิบัติ ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะอย่าไปคิดว่าผมเนี่ยได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่าไปคิดอย่างนั้นนะผมไม่ได้มุกมุกไม่ได้บอกให้ความหมายอย่างนั้นเพียงแต่ว่าผมเอาชนะใจในช่วงนั้นได้เพียงแค่นั้นนะต่อนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก